Oh, oh, oh. รู้ลมเนี่ยคือหมายความว่าพี่ต้องรู้ว่าตอนที่พี่ไปรู้ลมเนี่ยหมายถึงว่าพี่เข้าไปหลบอยู่พี่เข้าไปไม่เอาอะไรแล้วจะเอาความสงบพี่ต้องรู้ว่าตอนนี้พี่กําลังทําสมถะอยู่พี่ต้องรู้แบบนั้นว่าโอเคกําลังทําสิ่งๆนี้อยู่พอมันสงบลงมันสบายขึ้นต้องออกมาออกมันรู้สึกตัวรู้สึกการเคลื่อนไหวให้มันตื่นตัวไว้ให้นั่งลืมตาไม่ต้องหลับตา ให้ขยับมือไว้พลิกมืออะไรก็ได้พลิกเอาไว้เพราะว่าสมาธิที่ผมจะบอกให้ทุกคนทำคือสมาธิที่มันตื่นรู้สมาธิที่มันตื่นตัวไม่ใช่สมาธิหลบอยู่ไม่ใช่สมาธิเคลิมไม่ใช่สมาธิหลับแต่ต้องเป็นสมาธิที่มันตื่นตัวตื่นรู้อยู่มันจะไม่ใช่คำว่านิ่งไม่ใช่แบบนั้นความนิ่งเนี่ยมันอยู่ภายในที่ผมบอกว่าความเป็นปกติเนี่ยที่ผมจะพูดตลอดว่า เวลานั่งแล้วเนี่ยเห็นไม่เป็นปกติอยู่ความรู้สึกเนี่ยปกติแล้วความเป็นปกตินั่นแหละนั่นคือความสงบที่แท้จริงมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปทํำมันขึ้นมาแต่การที่ที่มาถึงก็นั่งจะเอาสงบเลยนี่เรากาลังทําความสงบขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ความสงบที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันไม่ลองล l a s t i มันอยู่ไม่นานพอเราเลิกทํามันก็หายไปแต่ความสงบ ที่ผมบอกมันคือความเป็นปกติมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วผมบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้เห็นให้มันบ่อยๆเห็นให้มันต่อเนื่องเห็นให้มันจนเป็นนิสัยแล้วสุดท้ายเนี่ยความเป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของจิตของใจเราเป็นพื้นฐานที่ทําให้จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความหนักแน่นหนักแน่นอันนี้ไม่มีน้ําหนัก หนักแน่นอันนี้เป็นหนักแน่นแต่เบาสบายหนักแน่นอันนี้เป็นหนักแน่นที่ไม่ใช่หนักอึ้งมันหนักแน่นแล้วก็ตื่นรู้แล้วก็เบาสบายแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีพื้นฐานของจิตแบบนั้นเราอยู่ในโลกเรากระทบเนี่ยมันก็ไม่กระเพื่อมมันไหวหรือถึงมันจะกระเพื่อมมันก็นิดหน่อยแล้วเราก็รู้แล้วพอจิตมันรู้ทันว่ามันกระเพื่อมแล้ว มันก็ฉลาดที่จะไม่ไปคิดปรุงแต่งต่อด้วยการที่เราฝึกให้มันอยู่กับความเป็นปกติไม่ตามความคิดไปอยู่เรื่อยๆแล้วพอจิตนี่มันถูกพัฒนามันก็จะมีกำลังที่จะอยู่ในโลกได้โดยที่กระทบแล้วก็ไม่กระเทือนเราก็ไม่ต้องทุกข์ที่ผมพูดว่าความสงบที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ไปสร้างขึ้นมา ความสงบที่แท้จริงมันมีอยู่แล้วเรามีหน้าที่แหวกเมฆหมอกที่มันปิดบังมันอยู่เนี่ยแล้วก็รู้จักมันแค่นั้นเองพอเรารู้จักความเป็นปกติอันนี้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเรารู้จักมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนวันหนึ่งเนี่ยมันกับเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันสมมติเราไปทำงานยุ่งๆกลับมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลิกงานล้วก็กลับมาบ้าง เราก็นั่งอยู่คนเดียวของเรานั่งสบา ย, บายะจะรู้สึกไว้ว่าความเครียดความกังวลความฟุ้งซ่านในงานเนี่ยมันค่อยค่อยจางคลายไปจิตใจมันค่อยค่อยสบายขึ้นมันค่อยค่อยสบายขึ้นมันค่อยค่อยสงบระ ง, งับลงเหมือนมันกลับมาที่เนื้อที่ตัวแล้วมันก็เบาสบา ย, บายมันไม่มีความรู้สึกดีไม่ดีมันเฉย มันรู้สึกเป็นปกติอยู่ไม่มีอะไรเป็นรู้สึกแบบนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้สึกแบบนั้นอันนั้นแหละเป็นความเป็นปกติที่มีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันเพียงแต่ว่าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะเห็นมันได้เฉยๆก็คือการเรานั่งสบายๆนั่งเฉยๆแล้วเราก็สังเกตมันออกพอเมฆหมอกของความฟุ้งซ่านเมฆหมอกของความกางังวลเมฆหมอกของการงานที่เราเพิ่งผ่านมา ล้วเรามาอยู่ในที่ที่สงบสงบสบายสบายที่ที่มีสิ่งแวดล้อมดีๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จางคลายไปสิ่งเหล่านั้นจางคลายไปเหมือนเราเหมือนกับที่เราอยู่ในที่ที่มีเมฆหมอกพอแสงแดดท่าดผ่านมาเมฆหมอกจางหายไปแล้วก็เห็นอะไรๆเห็นตึกรามบ้านช่องได้ชัดขึ้นเพราะแบบนั้นมันเห็นเอง ตึกรามบ้านช่องถามว่ามันมีอยู่แล้วไหมมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปก่อสร้างมันขึ้นมาแต่พอดีว่าเมฆหมอกนี้มันหายไปเพราะมันหายไปเราก็เห็นมันชัดๆว่ามันอ๋อมันมีตึกนี้ตึกนั้นเหมือนกันความเป็นปกตินี้หรือที่เขาเรียกว่าจิตประพัฒสอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วจิตนี่มันประพัฒสอนอยู่แล้วแต่มันโดนกิเลสจอดมาใช่ไหมมาบดบังเอาไว้เหมือนดวงจันทร์ที่มีก้อนเมฆมาบดบังเอาไว้เราก็ไม่เห็นดวงจันทร์ แต่เมื่อก้อนเมฆมันผ่านไปเราก็เห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่เคยหายไปไหนมันมีอยู่แล้วของมันอย่างนั้นแต่ด้วยความที่จิตเราเนี่ยวันวันเนี่ยมันไม่เคยเป็นปกติเลยวันวันเราตื่นเช้ามาก็คิดเรื่องงานไปทำงานเราก็คิดเรื่องคนงานแล้วไปคิดเรื่องงานเราคิดเรื่องลูกค้าเราคิดเรื่องตารางงานที่นัดนัดคนนู้นส่งของอันนี้ออเดอร์เท่าไหร่ เรามีแต่ความคิดที่มันปิดบังเมฆหมอกที่มันปิดบังดวงจันทร์นี้เอาไว้ทั้งวันพอมากลางคืนแทนที่เราจะนั่งสบายๆแวกเมฆหมอกนี่ออกไปเราก็คิดเรื่องอื่นต่ออีกเช่นเราก็คิดว่าเราจะไปทำอะไรต่อดีพรุ่งนี้ลงานพรุ่งนี้มันคืออะไรเราจะต้องวางแผนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราอยู่ภายใต้ความดิ้นหลน่นภายใต้ความคิด ภายใต้กิเลสภายใต้โมหะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็บดบังจิตประพัฒสอนหรือความเป็นปกติที่มีอยู่แล้วนี้เอาไว้เราก็เลยไม่เคยเป็นปกติเลยชีวิตเราเลยต้องทุกข์ทั้งชีวิตทำในรูปแบบฝึกที่จะหยุดเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาโมหะนี่มันจะค่อยๆจางคลายไปพอโมหะมันจางคลายไปเนี่ยความคิดมันไม่ค่อยมีหรอกมันจะน้อยลง เราจะคิดแต่ในเรื่องที่จําเป็นต้องคิดแต่ไอเรื่องเรียกว่าเรื่องบ้าบาบาววเรื่องไม่มีสาระมันไม่ค่อยมาหรอกเพราะว่าความคิดที่เป็นฟุ้งซ่านเหล่านั้นเนี่ยมันมาได้เพราะโมหานี่มันครอบจิตครอบใจครอบชีวิตเราอยู่ทั้งชีวิตเราไม่เคยแหวกมันออกเราไม่เคยเปิดให้ความเป็นปกตินี่นำหน้าโมหะเราไม่เคยเปิดให้มันนําหน้าโมหะเราปล่อยให้โมหะนําหน้าชีวิตเราตลอดชีวิตเราเลยมีแต่ความทุกข์ บางคนบอกว่าก็คิดก็รู้คิดก็รู้แต่มันรู้มันอยู่ในน้าสมมติว่าผมอยู่บนบกและพี่อยู่ในน้ำและอะไรที่ลอยในน้ำที่ก็เห็นใช่ไหมผมก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวผมไม่เลอะตัวผมไม่เปียกไปด้วยแต่พี่เปียกและเลอะแล้วก็เห็นด้วยมันไม่เหมือนกันมันต้องเห็นแบบอยู่บนบกไม่ใช่เห็นแบบอยู่ในน้าเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติจะไปดูจะไปเห็นหนูน่นเห็นนี่ที่เราเห็นความคิดหรือว่าจะเห็นกิเลสเห็นอะไรเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปเห็นพวกเหล่านั้นเนี่ยพื้นฐานความเป็นปกติในจิตเนี่ยต้องมีก่อนถ้าไม่มีตรงนี้อ่ะย่าพิ่งไปไหนการที่มันกระทบแล้วจะไม่กระเทือนอันนี้หมายความว่าจิตนี่มีปัญญาแล้ว ปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญญานี้เข้าใจเองผ่านการปฏิบัติธรรมผ่านการพัฒนาศีล ส, สมาธิจนมีปัญญาเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากการที่เราฟังธรรมะแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นแค่สภาวะธรรมแล้วเราก็จำเอาไว้เราก็พอสมัมผัสกระทบแล้วก็พูดว่า ม, มันเป็นแค่สภาวะธรรมเราไม่ควรจะเข้าไป กระเทือนกับมันหรืออะไรแบบนี้อันนี้เป็นคิดหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของปัญญามันไม่กระเทือนเพราะจิตนี้มีปัญญาแล้วจิตนี้มีความเป็นปกติเป็นพื้นฐานแล้วอย่างหนาแน่นมันถึงไม่กระเทือนเพราะว่ามันไม่มีตัวตนแล้วแต่เราเนี่ยเรายังเต็มไปด้วยตัวตนแล้วเราจะหวังว่าไม่ให้มันกระเทือนมันเป็นไปไม่ได้นั่นแปลว่าเรากําลังไปดักมันไว้ เราไปตั้งท่าเอาไว้ตั้งโลเอาไว้มันถึงไม่กระเทือนมีตั ว, ม, ตวมีตนอยู่เต็มๆมันต้องกระเทือนแต่เรารู้ทันว่ามันกระเทือนเราเห็นแล้วว่ามันกระเพื่อมแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะไม่ไปปรุงแต่งต่อไปให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวให้จนเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าคนในโลกเขาทำแบบนั้นพอกระเพื่อมปุ๊บก็คิดเป็นตัวเป็นตนคิดเป็นเรื่องเป็นราวจนเกิดความทุกข์เกิดความ ดีใจเกิดความเสียใจเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดทุกข์เกิดสุขขึ้นมานั่นคนในโลกก็ทําแบบนั้นแต่นักปฏิบัติธรรมเรามันกระทบปุ๊บมันกระเทือนปุ๊บมันกระเพื่อมปุ๊บรู้ว่ามันตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วพอรู้เป็นแบบนี้แล้วโอเคไม่ตามความคิดไปไม่ตามไปปรุงต่อให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจนเกิดทุกข์มากกว่านี้เราทําได้แค่นั้นไม่ใช่ว่าเราเริ่มปฏิบัติธรรมปุ๊บเป็นพระอรหันต์เลยไม่ใช่แบบนั้นที่ผมบอกแต่แรก เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยเรากําลังอยู่บนทางอยู่บนทางเดินที่จะถอดถอนความเห็นผิดถอดถอนความเป็นตัวเป็นตนเราไม่ได้มีหน้าที่ในการถอดถอนหรือว่าละความเห็นผิดด้วยแต่ด้วยการที่เราพัฒนาสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญาเหล่านี้จะเป็นตัวถอดถอนเป็นตัวชะล้างเป็นตัวทําลายอาสวะกิเลส หรือตัวตนทั้งหลายเนี่ยทิ้งลงไปด้วยตัวมันเองเราไม่มีหน้าที่ทำอะไรเพราะในความเป็นจริงมันไม่มีเราถ้าเราจะไปทำอะไรก็ผิดแล้วเรากำลังมีตัวมีตนเข้าไปทำอะไรเราก็อยู่ในความมืดเราใช้ความมืดไปไล่ล่าความมืดทำลายความมืดมันก็อยู่ในความมืดอยู่ดีไปไหนไม่ได้การปฏิบัติธรรมคือเรากาลังเรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงเรากาลังจะพัฒนาชีวิตที่แท้จริงขึ้นมา ในขณะเดียวกันแต่ละคนมีกรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการพัฒนาชีวิตจิตใ จ, จหรือเข้าสู่การมีชีวิตการพบชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันถึงเป็นศิลปะเฉพาะบุคคลมันถึงมีคำว่าโยนิโสโมนานสิการเกิดขึ้นคือการพิจารณาอย่างแยกคายว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราต้องทาอะไรเราต้องเลือกอะไรคุยกับใครปฏิบัติยังไง มันไม่มีสูตรหนึ่งสองสามเปะ๊เปะๆว่าพี่ต้องทำอย่างนี้ถ้าพี่ออกจากนี้นี่เสร็จเลยไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตของการพัฒนาชีวิตที่เราต้องรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันจำเป็นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นของเขาแต่มันจำเป็นของเราเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องฟันธงไม่ได้เป็นเรื่องวันนักขณะนั้น ควรจะทําอะไรนั่นแหละที่เรียกว่าศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันเป็นศิลปะของการที่พี่จะรู้ว่าถ้าพี่ทําตรงนี้แล้วพี่จะไปต่อได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นพี่จะรู้ในถานะนั้นจะไปยังไงต่อและไปต่อได้อีกแต่ศิลปะตรงนี้มันคือปัญญาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยผู้รู้ที่จะแนะนําพี่ได้ว่าตอนนี้พี่ควรจะทําอะไรควรจะทำอย่างไง